ถ้าลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าจะพุทโทละหังธรมโมละหังสังโฆละหังก็แล้วแต่จะไหว้หรือไม่ไหว้ก็ไม่เป็นไรขอให้มีสติเวลากิเลสมันเล่นงานเราเนี่ยไม่ไม่ไหว้คูหรอกเออท่านนั้นว่าพาวิตาบลโหริกาตาเราจะทำงานทำการอะไรอยู่ก็ให้มีสติรละลึกอยู่ ให้มีสติให้รู้อยู่เอออันนั้นน่ะเรียกว่าพาวิตาบาหุลิกาตากิเลสมันจึงจึงจะเล่นงานเราไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติเออเมื่ อ, อไรมันเอาเมื่อนั้นเออเรื่องของกิเลสเออเราต้องให้เหนือมันเหนือคืออะไรเอาอะไรเป็นสิ่งที่ให้เหนือก็เอาองค์ธรรมคือสตินั่นแหละสติธรรมนั่นเนี่ย เป็นสิ่งให้เหนือคนมายาของกิเลสถ้าเรามีสติอยู่ทุกเมื่อทุกลมหายใจเข้าออกกิเลสก็เล่นงานเราไม่ได้แต่เราไม่รู้คำว่ากิเลสคืออะไรเรารู้แต่ชื่ อ, อเฉยๆอ่มันเป็นอย่างนั้นแต่เวลามาเล่นงานเราเออนั้นนั้จงเราจรึงจะรู้สึกตัวนั่นละ่ะ ทำให้ใจเศ้าซ้อยใจเศ้ามองใจไม่เบิกบานนั่นหละกิเลสเล่นงานเราเออมันเป็นอย่างนั้นอุบาย ร, รมการภาวนานนใช้อุบายพินิจพิจารณาไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งอยู่เฉยๆนั่งอยู่สงบเฉยๆมันก็เหมือนสมาธิหัวตอไม่เกิดประโยชน์ปัญญาก็ไม่เกิดความรู้มไม่มีสติปัญญา ไม่ทันกนมายาของเขามันเป็นอย่า ง, งานั้นกา ร, ป, รปฏิบัติเราจะนั่งอยู่เดินอยู่ยืนอยู่นอนอยู่ก็ตามก็สามารถทําได้ทุกริยาบทกา ร, ป, รปฏิบัติท่านจึงว่าพาวิตตาบาลุิตตาคืมคือทําให้มันเสมอทั้งอริยาสี่ริยาบทเดินเดินนั่งนอนน่นนะกา ร, ป, รปฏิบัติเว้นแต่เราจะหลับไปเสียเมื่อหลับ พอได้สติเราก็ลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาแล้วก็ต่ออีกนั่นแหะเราจึงจะสามารถทันโกลมายาของเขาเออเวลามันเล่นงานเรานะเราไม่รู้สึกตัวกว่าจะรู้สึกตัวเรามันเอาไปละหลายรอบออขอบจักรวาลไปแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นเหตุจากนั้นเราจึงตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าง พระพุทธเจ้าท่านกำหนดไว้เจ็ดวันบ้างแปดวันบ้างให้เรามาวัดครั้งหนึ่งท่านสมมุติเป็นวันพระเออถ้าเราจะมาติดแต่สมมุติอย่างเดียวเราก็ไม่สามารถจะมา ป, ปฏิบัติได้มันพระทุกวันนั่นแหละพระคืออะไรพระคือผู้ประเสริฐมาออกจากมาจากรรผู้ประเสริฐให้เราน้อมดูซิว่าใจของเราเวลานี้ขณะนี้ขณะ น, นี้มันประเสริฐ ห, หรือไม่ เราต้องมาดูตรงนี้ถ้ามันยังไม่ประเสริฐเราก็สามารถประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดได้ให้มันมีได้อย่างศีลของเราไม่มีเราก็พยายามรักษาเกียรตนาวิระให้มันเกิดมีขึ้นเมื่อมีศีลแล้วฐานมันดีแล้วเราก็สามารถประพฤติปฏิบัติให้สมาธิมันเกิดขึ้นได้สมาธิมันจะเกิดขึ้นได้เฉพาะฐานมันดีถ้าฐานมันไม่แน่นฐานไม่คข็งแกรมันก็สามารถจะ สมาธิก็สามารถไม่เกิดขึ้นได้ความสงบเอมันก็ไม่มีนั่นนะ่ะมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นมันสําคัญมันต่อเนื่องกรรันศีลสมาธิปัญญาสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันมีขึ้นมันสัมพันธ์กันอยู่มันอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ที่ใจนั่นแหละเอกิเลสก็อยู่ที่ใจธรรมก็อยู่ที่ใจคุณงามความดีก็อยู่ที่ใจอยู่ที่การปริปรตปฏิบัติ เวลาเราสร้างคุณงามความดีเราก็อาศัยร่างกายนี้แหละอาศัยมืออาศัยปากอาศัยนี่แหละากายนี่แหละสร้างคุณงามความดีแต่เวลาคุณงามความดีมันเกิดขึ้นมันก็อยู่ที่ใจใจเป็นผู้บันทึกไว้ใจเป็นผู้รักษาไว้เวลาเราจะละจากโลกนี้ไปอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะเอาไปด้วยเวลาสร้างความชั่วอย่างนี้หรือสร้างคุณงามความดีอย่างนี้ ร่างกายก็ไม่ได้รับด้วยนะเนี่ยเขาไม่รู้สึกด้วยมันคนละอย่างอั น, นเป็นเครื่องมือเฉยๆเออยกตัวอย่างอย่างเครื่องมือเราสร้างบ้านอย่างเนี้ยเออเราทําบ้านสร้างบ้านอย่างนี้ <pe at> เครื่องมือเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วย <pe at> เราเป็นคนอยู่คนเป็นผู้เป็นผู้ไปอยู่อันนั้นนะ่ะมันเป็นคนละอย่างใจของเราก็เหมือนกันเวลามันจะแต่มันบ่งออกจากที่ใจนั่นแหละใจแ่ะเป็นผู้บ่งออกพาทำ เอาร่างกายทำเอาวาจาทาเอาใจทาเนี่ยมันออกจากนี้ให้เราน้อมดูพินิษพิจารณาดูเวลานี้ขณะนี้ใจของเรามันเป็นอย่างไรมันไปติดข้องไปค่องอยู่กับสิ่งอะไรแล้วก็น้อมพินิษพิจารณาให้วางความอยากปล่อยความอยากให้ดูใจของเราอย่าให้มันอยากให้เห็นนั่นเห็นนี่ให้วางให้ละให้ละความโลภให้ละความโกรธให้ละความหลงให้ละอยู่สิ่งเหล่านี้ ถ้าเราไปสร้างแต่ความอยากใจของเราก็ขุ่นมัววุ่นวายสมมติว่าจิตมันมันไม่เป็นสมาธิจิตมันไม่สงบอย่างนี้เราจะบังคับมันไม่ได้แล้วก็ถ้ามันไม่สงบเราก็ดูความไม่สงบของมันมันสาเหตุมาจากอะไรเราก็ต้องดูเหตุของมันอย่าไปดูที่อื่นน้อมดูที่ใจของเรานั่นแหละเวลานี้ขณะ น, นี้ไม่ใช่ว่าเราจะมาฟังแต่อุบายเฉย เออการประพฤติปฏิบัติดูใจของเราเองต่างคนต่างดูให้มันน้อมให้มันเห็นทำนี่มันเกิดปัจจุบันธรรมนะเอออย่างอดีตที่มันผ่านไปแล้วอย่างเราเคยนั่งประพฤติปฏิบัติจิตมันสงบดีอย่างเงี้ยอันนั้นมันอดีตที่ผ่านมาแล้วเราอย่าไปพะวงถึงปล่อยมันไปเสียเออให้เอาปัจจุบันธรรมดูเวลานี้ขณะนี้ใจของเรามันไปคล้องไปติดอยู่ในสิ่งอะไรเราก็ดูน้อมพินิจพิจารณาดู อันนั้นมันจึงจะสามารถเกิดทำได้รู้เห็นทำได้ว่าธรรมที่มีอยู่แต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้เห็นได้เพราะอะไรละ่ะเพราะใจของเรามันไปพะวงอยู่ข้างนอกวิ่งตามอดีตวิ่งตามอนาคตวิ่งตามสัญญาลมอยู่ในรูปอารมณ์สาาั ท, าสาทธาลมกันธาลมละสาลมพธดถาลมอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่จูงใจที่มามักบ่มอยู่ที่ใจของเรา ทำให้ใจของเรามัวหมองทําให้ใจของเราเต้าซ้อยนั่นน่ะเมื่อเราไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้แล้วเราพยายามชี้คายน้อมพินิจพิจารณาอย่างลูกตัวเนี้ยเราก็น้อมอยู่ในอนิจจตาธกกทุกขะนาทกขตาณตตาสิ่งเหล่านี้เป็นของที่ไม่เที่ยงแไม่แน่นอนมันเกิดได้ทุกได้เออมันเกิดได้ก็าตายได้ให้ดูสิ่งเหล่านี้เออแม้แต่เราเกิดขึ้นมามันก็ไม่เที่ยงเออ มันก็แก่ขึ้นไปเรื่อยๆแก่ถึงขึนถึงที่สุดเหมือนกระดวงตะวันนี่แหละมันถึงเที่ยงมันก็ต้องค่อยลงไปค่อยลงไปนั่นเหมือนกับร่างกายของเราเหมือนกันเมื่อแก่ถึงที่สุดเมื่อก็แก่ลงลาาลงไปล่าลงไปพวังรองชามันก็หมดไปหมดไปนั่นอันนั้นล่ะท่านน้อมให้ดูให้ดูอันนี้จตตาเป็นของไม่เที่ยงให้ดูในสิ่งเหล่านี้พิจารณาในสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไปหลง ไปหลงในสิ่งเหล่านั้นน่ะให้เราน้อมพิณิพิจารณาให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้สอนไว้ถ้าเราไม่เห็นตามสภาวะความเป็นจริงเราก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็หลงมัวเมาอยู่มันเป็นอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติให้แบบทำแบบอนุโลมปฏิโลมถอยเข้าถอยออกให้มันเห็นให้มันคล่องใ ห, ให้มันรู้ให้มันรู้ใจตาในนั้นน่ะ ตานอกมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งให้รู้ตาใหญ่ตาในคือตาปัญญานั่นเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเราก็ไม่หลงเออไม่ไปหลงกับสิ่งเหล่านั้นเราก็รู้ทันคนอุบายของเขานั่นหลักการประปฏิบัติมันจึงจะเกิดมีขึ้นไม่ใช่ว่าเราจะมาฟังเอาแต่คําอุบายของอุบาอาจารย์คุบาอาจารย์หรือว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้แนะเฉยเออเป็นผู้บอกชี้ทางบอกสิ่งที่นี้ควรสิ่งอันนั้นไม่ควร ท่านก็บอกชี้บอกอยู่แล้วเออเราจะประพฤติปฏิบัติหรือเราจะเอาหรือไม่เอามันอยู่ที่เราถ้าเราทําจริงให้มันสมเหตุสมผลเออความประพฤติการประปฏิบัติมันก็มีมีผลเกิดขึ้นได้นั้นเป็นอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติมันอยู่ที่เราเออเราจะมาฟังเอาแต่คำพูดอันนั้นมันเป็นสัญญาเออความจํามันไม่แน่นอนมันลงได้ลืมได้เออมันไม่ไม่เที่ยงสิ่งเหล่านั้น ถ้าเราประพฤปฏิบัติแล้วอย่างจิตมันเป็นสมาธิอย่างเนี้ยหรือว่าเรารู้ทำเห็นทำอย่างเนี้ยอันนั้นมันหลงไม่ได้ลืมไม่ได้ผู้รายไอ้ยขโมยก็ไม่สามารถจะไม่แย่งชิงเอาได้สิ่งเหล่านั้นอันนั้นแหละเป็นบุญใหญ่การประพฤติปฏิบัติการภาวนาเนี่ยเราจะทําทานก็ตามรักษาศินก็ตามมารวมรวมอยู่ที่การภาวนานี่แหละใจเป็นผู้บันทึกไว้ใจเป็นผู้รักษา ถ้าเราสร้างแต่ความชั่วใจของเราก็ไปหมกมุ่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นใจของเราก็ไม่เบิกบานนั่นมันเป็นอย่างนั้นเวลาใจของเราเบิกบานก็เป็นอย่างไงนั่นแหละใจของเราเป็นบุญแล้วเออนั่นแหละบุญเกิดขึ้นแล้วเวลาใจของเราเศร้าต้อยโศกเศร้าเสียใจนั่นแหละใจกําลังเป็นบาสนั่นแหละเร า, เราก็าหาสาเหตุมันมันเกิดเพราะอะไรมันเกิดเพราะมีเหตุนั่นแหละถ้ามันมีเหตุมันต้องผลต้องมันต้องเกิดนั่นนหะมันเป็นอย่างนั้น ให้เราน้อม น, น, นําพินิษฐพิจารณาอย่างเราเกิดขึ้นมาเนี่ยมาได้มาปฏิบัตปฏิบัติเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีผลพระมีอัอเทวธรรมคือลิหิคห ต, ตความละอายอดตปากความเียงกลัวนั่นแหละแล้วก็กรรมบทและก็ศินห้าท่านว่าจึงจะสามารถมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าไม่มีธรรมเหล่านี้เราก็ไม่สามารถจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องเกิดไปเป็นสัตว์เป็นลาชาน หรือเกิดไปเป็นเปรตเป็นนั่นเป็นผีไปที่สามเขาสมมุติไว้นั่นแหะนั่นแหะเพราะว่าเราไม่มีคุณธรรมถ้าเรามีคุณธรรมเราก็มาเกิดเป็นมนษุษย์เพราะพระพุทธศาสนาสามารถจะต่อทำต่อคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นที่ไหนล่ะเกิดขึ้นที่ใจนี่แหละไม่กระโดเกิดขึ้นที่อื่นเฉะนั้นเมื่อถึงวันพระเราก็งดเวนแล้วก็ับมาประพฤติปฏิบัติมาฟังพระตสวจอภิธรรมมารับ ติ้นตินเราก็รับรับแล้วเราก็ตั้งใจเจตนาวิรัติรักษาเอาอย่างยุงมันมากัดแล้วก็ปล่อยทานะบารมีให้มันไปเสียเออเพราะมันมาเอาเนี่ยมันก็ไม่ได้มาเอาเอากุเอาถังเอาอะไรมามันก็เอาแค่อิม่มแค่นั้นละ่ะไม่เหมือนมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยเอากจนกระทั่งมาแบกไม่ไหวนั่นเห็นไหมน่ะความโลภของเราเนี่ยมันเหมือนกษัตริย์อื่นกษัตริย์อื่นเขาเอาพอเต็มท้องแล้วก็ก็ ของเขาก่ห น, นี้ไปแค่นั้นแต่เราเนี่ยเอากระจนกระทั่งแบกหลังจากหากไปยังไม่ถอยอยู่นั่นแหละความโลภของคนอ่ะมันเป็นอย่างนั้นอะไรก็ไม่พออะไรก็ไม่พอทุกสิ่งทุกอย่างไม่พอทั้งนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นท่านจึงให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ถ้าเราขายันเราก็สามารถครอบครองได้มากเขาเรียกว่ามหาเศรษฐีเออถ้าเราขี้เกียจขี้คา้าน เราไม่ขยันหมั่นเพียรไม่ไปอวบขยันทํามาหากินแล้วก็เป็นคนทุกข์คนจนเขาเรียกว่าคนอนาถานั่นเป็นอย่างนั้นหากินไม่พอปากพอท้องอนั้นเป็นอย่างนั้นถ้าการประพฤติปฏิบัติเนี้ต้องอาศัยเรามีกายญสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัติอันนี้แค่นี้ไม่ต้องไปหาทรัพย์สมบัตอิอื่นให้มันมากงายกายกองอันนั้นถ้าหาไมมามาก มันกลับมาทับผมจิตใจของเราถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่มีปัญญาพินิจพิจารณาเออแต่ว่าไม่ประมาทมันเป็นสิ่งที่ปัจจัยเครื่องอาศัยทุกคนก็ต้องอาศัยอาศัยผ้าบ้างอาศัยอาหารการกินบ้างอาหารอาศัยที่อยู่อาศัยบ้างอาศัยยารักษาโรคโรคบ้างนั่นมันเป็นอย่างนั้นท่านนี้ว่าปัจจัยเครื่องอาศัยเวลาจะใช้อย่างพระพิสุเนี่ยท่านให้ มีปั จ, จเวกขณะพิจารณาเสีอก่อนอยา่างผ้าผ่อนทอนสบายเออได้มาแล้วก็ให้มาพินิจพิจารณาเสียก่อนไม่เราไม่ใช้เพื่อความสวยความงามอะไรนั่นเป็นอย่างนั้นหรือว่าอาหารการกินก็เหมือนกันเรารับประทานเพื่อให้อยู่าาร่างกายธาตุขันอยู่ได้เพื่อรับรงับเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นแค่นั้นถ้าเราไปรับประทานมากอย่างเงี้ยมันก็เกิดโลก เออเกิดวา อ, อ, อาหารไม่ย่อยแล้วก็เกิดปวดท้องหนันไปอย่างนั้นถ้าเราไม่พินิจพิจารณาถ้าเราพินิจพิจารณาโลกเหล่านั้นก็ไม่สามารถเกิดขึ้นในร่างกายของเราได้ที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันเออจะเป็นอุตติวิหารหรือจะเป็นบ้านเป็นช่องเราหามาได้ก็ตามเราต้องพินิจพิจารณาเสียก่อนเออถ้าเรามีการพินิจพิจารณามีการรักษาดูแลรักษาอะไรอยูเออ่เราก็เลยใช้นาน ถ้าเราไม่รักษามันก็นใช้ไม่ได้นานอันนี้มันเป็นอย่างนั้ น, น, นการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งหลับตาอยู่มันจึงจะเป็นการประพฤติปฏิบัติเราทํางานทําการอะไรอยู่ก็เป็นพาวิตาบางหุลิกาตามีสติอยู่ทุกเมื่อทุกอิริยาบถทํามันก็เกิดถ้าเราสร้างเหตุมันพร้อมให้มันให้มันสมบูรณ์มันเกิดขึ้นได้ทุกอิริยาบถนั่นแหละทำนั่นท่านกล่าวไว้บาง ในตำนานท่านกล่าวไว้บางองค์ก็ยืนกําหนดพินิจพิจารณาธรรมก็สามารถบรรลุได้แต่บางองค์ก็เดินเดินกําหนดไปพินิจพิจารณาไปก็สามารถบรรลุได้บางองค์ก็นั่งบางองค์กําลังนอนอย่างเงี้อยอย่างพระไอ้าอานนท์อย่างเงี้ยท่านท่านไม่ได้สามารถจัดสําเร็จอยู่ในอุระยะเใดอีกแบบหนึ่งคือช่วงช่วงระยะระหว่าง น, นั่นแหละคือเรากำลังท่านท่าน ประพฤปฏิบัติมันเหนื่อยท่านกําลังใจเอ็นกายลงนอนแค่นั้นท่านก็สามารถน้อมเอาจิตพินิพจพิจารณานั้นหลักท่านจึงว่าเรียกว่าภาวิตาบาหูดีกาตาแต่ของเราเนี่ยเป็น ถ, ถึงเวลามาเราจึงจะมานั่งหลับตาอันนี้มันขาดช่วงไปออขาดการประพฤติปฏิบัติมันก็เลยยังไม่ไม่เห็นผลของมันเพราะเราสร้างเหตุยังไม่พร้อมยังไม่เพียงพอเอตุฉะนั้นท่านจึงว่าให้นั่งกำหนดพินิจพิจารณา มันเจ็บบ้างปวดบ้างก็เป็นของธรรมดาของสิ่งเหล่านี้เขามีอยู่แล้วในโลกอันนี้เราจะเกิดขึ้นมาก็ตามไม่เกิดขึ้นมาก็ตามเขาเป็นอยู่อย่างนี้ อ, อ, อันนี้เกิตาทุกตาน้ตตาหรือความเจ็บความป้ความปวดควา ม, วา ม, วามขบอะไรเขามีอยู่อย่างนี้ออแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นมีอุปท า, านออไปยึดในขาบ้างในร่างกายบ้างออในนั้นอันนั้นกัของเราอันนี้กัของเรามันเป็นอยู่อย่างนี้ เหตุฉะนั้นใจของเราไปคล้องอยู่ไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้ท่านจึงให้แยกแยะ ก, กําหนดพินิจพิจารณาให้เห็นตามสภาวะความเป็นจริงของเขาเมื่อเห็นตามสภาวะความเป็นจริงของเขาแล้วเราก็ไม่หลงไม่ยึดเมื่อถึงการเวลาเรากรสละไปเสียนั่นปล่อยไปตามสภาวะความเป็นจริงของเขาใจของเราก็เบิกบานฮะใจของเราก็มีจุความสุขเป็นงั้นการประพฤติปฏิบัติท่านให้เตรียมตัวว่ายก่อนตอนยัง เรายังมีร่างกายแข็งแรงนั่นแนหะเราจะไปคอยจนเวลาให้ร่างกายมันแก่ก็มนจึงจะมาเข้าวัดเข้าวาอันนั้นมันมันสายเกินไปแล้วเราจะมานั่งนานก็ไม่ได้เจ็บนั่นปวดนี้นั่นอันนั้นแหละถ้ามันเจ็บนั่นแหะดีการประพฤติปฏิบัติถ้ามันไปติดอยู่แค่สุขเวทนานนนะัะการประพฤติปฏิบัติไม่ก้าวหน้ามันเป็นอย่างนั้นให้เราดูเวลาเราประพฤติปฏิบัติเราเร่งความเพียร น, นั่นแนหะ วันไหนมันไปติดแค่สุขเวทนานั่ยนะไม่มีไม่รู้ทําเห็นทำใจไม่เบิกบานไม่รู้จะเอาอะไรมาพิจพิจารณามันมีแต่ความสุขนั่งตลอดคืนก็ได้นั่นการเผติปฏิบัติเราต้องทําดูก่อนเราจึงจะรู้เหมือนการรับรับประทานนั่นแหละมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยเราไปยินแต่เขาพูดเขาว่าอันนั้นมันอร่อยอันนี้มันอร่อยแต่เราไม่ไม่รับประทานลองดูเราก็ไม่รู้ อันนี้การประพฤฏิบัติก็เหมือนกันเราต้องลงมือประปฏิบัติสร้างเอาทำเอามันเจ็บนิดๆหน่อยๆครับเป็นเรื่องของเขาให้กําหนดน้อมอยู่ในไตลักษณ์อณิจตตามันของไม่เที่ยงมันเกิดขึ้ น, นกดดับได้เนะ่มันเป็นของไม่เที่ยงสิ่งเหล่านั้นสมมุติว่ามันปวดนานๆนนพอมัน น, นั่งเราไม่ขยับขยืน่นเดี๋ยวไม่นานมันก็หายเองเออแต่เราอย่าไปบังคับให้มันหายนะ เออถ้าบังคับยิ่งเป็นทุกข์สมมติว่าทุกข์มันเกิดขึ้นถ้าเราอยากให้มันหายอยากให้มันเจ็บมันอยากหายความเจ็บให้มันหายนั่นยิ่งสร้างความปวดความเจ็บขึ้นมากนั่นเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นท่านว่าทุกข์เป็นของทนได้ยากสุขเป็นของทนได้ง่ายนั่นนะสมมติว่าเรานั่งเนี้ยนั่งไปความสุขเกิดขึ้นแลาต้อกําหนดที่นี้พิจารณามันเกิดเพราะสาเหตุอะไร ความเขาผู้เกิดขึ้นก็เราก็กําหนดพินิจพิจารณามันเกิดขึ้นมาสาเหตุอะไรเราต้องสาวหาเหตุหาผลของมันอันนี้การประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งหลับตากําหนดแต่อสาสะปัสสะเราจะมาแต่งกะลมอยู่เรื่อยๆไม่ได้เราต้องดูกําหนดบางครั้งเรากําหนดพุทธเข้าโทออกพุทธเข้าโทรออกเงี้ยละเอียดเข้าละเอียดเข้าเหมือนกับลมจะหมดอย่าไปตกใจอย่าไปนั้นไม่เป็นอะไรเป็นอันตรายหรอก ให้เรานึกดูที่เวลาเรานอนหลับนะเออยิ่งละเอียดกว่านั้นอนะ่ะเราก็เหมือนสา ม, มารถไม่ตายได้นั่นทางการปฏิบัตษษษษษิเหมือนกันให้มีสติกำหนดพินิจพิจารณาดูเอออย่าไปกลัวมันไม่ไม่ไม่ตายหรอกเออถ้าเรามีสติอยู่เออให้ดูมันให้มันเห็นเออให้มันละเอียดเข้าไปเมื่อละเอียดเข้าไปถึงที่สุดแล้วกายก็เบาเออจิตก็เบากวนเสียการงานแล้วใจก็มีความสงบละบัณ เมื่อใจมีความสงบแล้วนั่นแหละเราจะย้อนออกมาพินิษฐ์พิจารณาแหละเราจะเอาทําบทไหนมาขบคิดมาแยกแยะมาพินิษฐ์พิจารณามันมีอยู่นี่ก่วงสอบยาวานนคือพระป ร, ะริมณฑลเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่น8ปดหมืสี่พันพระธรรมขันธ์มีอยู่ที่นี้ไม่ใช่มันอยู่ในตำหรับรําลาอย่างคุกเราไปเห็นในตําราเราอ่านทั้งวันทั้งวันมันก็ไม่เป็นไรเออไม่ถ้ามันเกิดอยู่ที่ใจเนี่ยนั่นแหละ นันหละทําเกิดขึ้นแล้วเราก็กําหนดแยกแยะพินิจิจารณาให้มันเห็นกําหนดรู้ให้มันรู้มันเกิดจากสิ่งอะไรแล้วก็กําหนดให้มันรู้มันก็ต้องมีสาเหตุถ้าเราไม่เกิดทุกข์มันก็ไม่มีนั่ น, น, นแหะเออแล้วน่าชาติความเกิดเป็นทุกข์เราก็อ่านแล้วก็ว่าเวลาเราทําวัดอย่างเงี้ยตอนเช้าเราก็อจาติปิดุกขาเอ่อความเกิดเป็นทุกข์เราก็ว่าอยู่แต่ใจของเรามันยังไม่เห็น เออมันเห็นแต่แ ค, แค่เพียงวาจาแค่นั้นเออนั่นวาจามันพูดเฉยๆใจยังก็ไม่เห็นเราต้องกําหนดแยกแยกพินิษฐ์พิจารณาให้เป็นอนุโลมปฏิโลมถอยเข้าถอยออกว่ามันเป็นตามสภาวะความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวหรือไม่ถ้าเรามันเป็นตามนั้นใจของเราก็เบิกบาน่ะเมื่อถึงเหล่านี้มันเกิดขึ้นเราก็ปล่อยไปเถอะไปตามสภาวะความเป็นจริงของเขาเนี่ยเราก็ไม่ติดโซกเพราะท่านแหละมัน ความเจ็บก็ตามความปวดก็ตามอความไข้ก็ตามเมื่อมันมีสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องมีเอเมื่อมันเกิดก็ต้องมีแก่มีเก็บมีตายนั่นแ่ะเมื่อเราอยากไม่ให้มีแก่มีเก็บมีตายเราก็พยายามมาพิสปิบัติให้จิตดวงนี้มันหลุดพ้นให้จิตเหล่านี้มันขาวสะอาดเออดี๋ยวนี้จิตของเรามันยังคล่องมันยังมัวหมองอยู่กับสิ่งเหล่านี้คืออะไรล่ะคือกิเลส อุปาทานความยึดมั่นหรือมั่นอวิชชาก็ไม่รู้นั่นแหละออให้ละิ่งเหล่านี้พยายามกําหนดแยกแยะพินิจพิจารณาถ้าเรากําหนดแยกแยะพินิจพิจารณาเราก็รู้เราก็เห็นเราก็ใช้สติปัญญาของเรานั้นเนี่ยของแต่ละบุคคลแยกแยะ ก, ก, กาหนดพินิจพิจารณามันจึงจะรู้มันจึงจะเห็นเราไปอาศัยแต่ตำราไปอาศัยอาศัยแต่แผนที่แผนที่นั้นเมื่อเราศึกษาประพฤติเมื่อปรึกษาแล้วเราก็ต้องให้รู้ เออเมื่อรู้แล้วเราก็เอ า, เอามาประพฤติปฏิบัติเหมือนกับเราอ่านตำรายานี่แหละถ้าเราอ่านอ่านเฉยเฉยรู้อยู่ตำรายาเนี้มันรักษาโลกนั้นโลกนี้เราไม่ไปหาเอายามารับประทานมันก็ไม่สามารถสําเร็จโลกใข้ได้อันนี้ก็เหมือนกันการประพฤติปฏิบัติเราจะอ่านให้มันคล่องเออให้มันรู้เอออย่างเขาเรียนได้ประโยคก้าวโลุกอะไรเมื่อ ความทุกข์เกิดขึ้นใจก็เศร้าหมองเหมือนกันนะเพราะมันเห็นแต่ในสัญญาเออนั่นมันเป็นอย่างนั้นสัญญาความจำมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นอานิจจตามันของไม่เที่ยงถ้าเราประพฤติปฏิบัติได้แล้วอันนั้นเป็นของเราเออพราะพุทธเจ้าก็ไม่ได้ด้วยไม่มีผลประโยชน์ด้วยเป็นของเราเองอันนั้นน่ะให้เราอย่าประมาเทเท่านั้นน่ะให้มีกําหนดพิจารณาอยู่ลมหายใจก็ออกนี่แหละ ไม่ต้องดูที่อื่นดูที่ใกล้ๆนี่แหละความว่าความเกิดมันเกิดจากไหนเออพันว่าความตายมันตายอยู่ทุทกขลมหายใจเข้าออกเราก็บกนอมกําหนดพิจพิจิพิจารณาย้อนเข้ามาให้มันเห็น <c oughs> ถ้าเราไม่กําหนดถ้าเราไปปล่อยออกข้างนอกมากับเพลินไปข้างนอกล่ะอันั้นเรียกว่าจิตช่วงซ่านตามหลักธรรมนั่นอ่ะมันหลงมันลืมอยู่ถ้าเรากําหนดน้อมก็ม า, มามันจะเห็นเออมันเป็นอย่างนี้ แต่ก่อนเราไม่เคยมาประพฤติปฏิบัติจะนั่งแค่ประเดี๋ยวประเดาวก็ไม่ได้นั่นเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเคยประพฤติปฏิบัติทุกวันทุกวันพยายามทําทุกวันทุกวันนั่งก็ได้นานกําหนดดูจิตก็รู้สึกว่าคล่องแคล่วหรือว่าทันคนอุบายของเขานั่นเป็นอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นเรื่อยนั่นแหละตามที่กําลังที่เหตุเราสร้างผลมันจะได้มากได้น้อยอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเรา มันจะช้าหรือมันจะเร็วเมื่อมันก็อยู่ที่เราถ้าเราขยันมันก็รู้สึกว่าได้เร็วนะนะเหมือนกับเราขุดลงที่ดินนี่แหละลาหาน้ำเออมันอยู่ที่บุญหรือวาสนาของเรานะั่นะการประพฤติปฏิบัติบางคนนั้นขุดแค่เดียวท่า น, นก็สามารถถึงฐานน้าได้เพราะว่าบุญวาสนาบารมีท่านเพื่อสะสมสอบรมมาแต่พอก่อจ่า ก, ก่อนนั่นนะ่นะกําลังจะเต็มเปี่ยมแล้วอย่างเราเนี่ย เราป่าพฤ่อปฏิบัติมันยากค่ะเป็นเป็นเรื่องของเราเออเป็นหน้าที่ของเรายากไม่ยากมันอยู่ที่ความพอใจของเราการป่าเพื่อปฏิบัติถ้าเรามีความพอใจสร้างศรัทธาให้มันเกิดขึ้นเออศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญานั่นมันมีอยู่หลักของมันอ่ะในอินทรีย์อินทรีย์และศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญานั่นนั่นล่ะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่เรานเนี่แหละเราสร้างขึ้นทําขึ้น มันก็มีขึ้นศรัทธาความเชื่อเเชื่อว่าประพฤติปฏิบัติได้จริงในรายยางรักษาศีลก็เมื่อเราศึกษาแล้วก็สามารถรักษาได้เราก็เป็นของเราเนี่ยนะอันนั้นนะอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อมั่นอย่างเรารักษาศีลอย่างปานาติบาตอย่างเนี้ยเราไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปรักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดสิ่งเหล่านี้ร่างกายเราก็ได้รับความสุขความสบายนะ นั่นน่ะนั่นน่นะเพราะอะไรเพราะเราเคยรักษาศีลมาพบก่อนชาติก่อนเราจึงร่างกายเราจึงไม่เกิดความป่วยไข้ไม่มีสิ่งอะไรมาเบียดเบียนนั่นน่ะเพราะเราเคยรักษาศีลมานะ่ะอดีตชาติพบก่อนชาติก่อนเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าเรามาเกิดมาพบเดียวชาติเดียวเราเวียนไหวาตายเกิดอย่างนี้หลายพบหลายชาติจนกว่าจิตของเราจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้อ เหมือนกับที่พระอริยเจ้าท่านเคยประพฤติปฏิบัติมาเหมือนกันละ่ะเ อ, อท่านก็จะเจียตสกตล์มาเหมือนกันเ อ, อจนกว่าบารมีของท่านจะเต็มเปี่ยมเ อ, อเมื่อเต็มเปี่ยมถึงเวลาแล้วจะนั่งอยู่ก็าตามหรือจะทํางานอะไรอยู่ก็าตามสามารถบรรลุได้เห็นได้ทําการประพฤติปฏิบัติแต่เรนนี้ขณะ น, นี้ทำของเรามันยังไม่เต็มเปี่ยมเพราะว่าขาดช่วง การประพฤติปฏิบัติฉะนั้นท่านถึงว่าในอริย บ, บททั้งสี่นี่แหละการประพฤติปฏิบัติจะนอนนอนก็ตามนั่งก็ตามยืนก็ตามเดินก็ตามต้องดูอยู่ใจของเราเนี่ยให้มันมีสติอยู่เพียรพร้อมทุกอริยบททำก็สามารถเกิดขึ้นได้เออมันเป็นอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือว่าเป็นฆราวาสสามารถประพฤติปฏิบัติได้เพราะมันมีอยู่ครบแล้ว เออเจษะโลมานะขาคันตาตาโจนั่นทำมันมีอยู่แล้วเครื่องปรักิเลสทั้งหลายมีอยู่แล้วเพราะเราหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้เออมัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่แยกแยะอย่างเจษาเออในเราหลงในมัวเมาในร่างกายในว่าผมมันสวยมันงามเราก็แยกแยะขี้คลายพนิจที่รณ า, า, าท่านบอกว่ามันเป็นอัุภะอาศัศวัง เออเป็นของไม่สวยไม่งามมันสวยตรงไหนไม่งามตรงไหนเราก็มาแยกแยกกนดพินิจพิจารณาที่แรกก็ฝืนมันแหละพอเราพอเราไปหลงในริ่งเหล่านั้นเออฝืนมันนั้นบ้างฝืนวันนี้บ้างฝืนเวลานั้นผ น, น, น, นเวลานี้บ้างนะะพอนานๆเข้ามันคล้องเองนั่นแหละการประพฤติป ฏ, ปฏิบัติอย่างทางเราเคยไม่เคยเดินไม่เคยเที่ยวที่แรกมันก็ลุกคุกขัดนั่นแหละเมื่อเราเคยเดินแล้วก็คล้องกับบัตร นั่นล่ะตามมาเคลื่อนไปไปบัดมันเป็นของไม่เที่ยงให้เราดูใจของเราต่างคนต่างดูต่างคนต่างกำหนดพิจารณาเมื่อเราฟังอุบายแล้วต่อไปนี้ให้กำหนดดูฟังอุบายทมแล้วก็ดูทรมานี่ กำหนดพินิษฐ์พิจา ร, รณาธรรมอันนี้เป็นเครื่องมือใช่เนี่ยมันยางยั้งน่ะน่ามันเป็นอนิจจตาเป็นของไม่เที่ยงเออใช้เป็นมากมไม่ได้ เ, เดี๋ยวใช้ไปใช้ไปเดี๋ยวไม่ไมนานมันก็หมดเออแต่การประพฤติปฏิบัติเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ทําได้อันนั้นไม่หลงเออมันเป็นอย่างนั้นเราดูเวลาครูบาอาจารย์ท่านเคยประพฤติปฏิบัติครูท่านเคย ออกคู่ดงประพฤติปฏิบัติบวชมาตั้งแต่น้อยเอออย่างลุงปู่เท่าไม่ฟังหน่อยก่อนท่านจะอละพัน์ไปหน่อยท่านกำหนดพินิษ์พิจารณาดูใจของท่านเหยีแย่เพราะว่าร่างกายสังขารมันเป็นเครื่องมือสร้างคุณงามความดีเฉยๆเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเออนั่นน่ะท่านรู้ท่านจะไปเวลาไหนไม่ไปเวลาไหนท่านรู้กําหนดถอยออกถอยเข้าอนุโลมปฏิโลมนั่นน่ะ มันเป็นอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็เหมือนกันเราดูใจของเราเวลาอันนี้ขณะนี้มันเป็นอย่างไรมันไปคล้องไปแวะไปอยู่ติดอยู่ตรงไหนเราก็เอานั้นมากําหนดแยกจะที่นพิจรารณาเมื่อมันเหนื่อยการประพฤติปฏิบัติมันเหนื่อยมันที่นีพิจารณามันเหนื่อยเราก็ย้อนวอกเข้ามาพักเดียก่อนเออเหมือนกับเราทํางานทําการนั่นแหละมันเหนื่อยเราก็พักก่อนรับประทาน ah arn, อาหารอาบน้าําอาบผ้าเมื่อมีกําลังเราก็ทําต่อ อันนี้แหะก็เหมือนการการปฏิบัติอันนี้มันพูดให้กันฟังเฉยๆเอออยู่ที่เราอยู่ที่สติปัญญาของเราเออการประพฤติปฏิบัติมันสามารถทําได้ทุกคนนั่นแหละรู้ดีรู้ชั่วเออรู้เรียนออรู้เย็นรู้ร้อนอยู่เออเห็นไหมก่อนพระพุทธเจ้าท่านจะออกมาประพฤติปฏิบัติออกมาบวชท่านขนนดดูซึ่งเหล่านี้แหละถ้ามีร้อนมันต้องมีเย็นแก้ท่านพิจารณา เวลาใจของเราไปคล่องอยู่ในส่วนไหนเราก็เอาหาสิ่งเหล่านั้นมาแก้กําหนดแยกแยะพินิษฐพิจารณาถ้ามันยังไม่เข้าใจมันเหนื่อยเราก็วกขับขไปพักซะก่อนเมื่อมีกําลังพอแล้วก็ย้อนออกมาเอออันนี้มันพูดให้กันฟังเออถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติเราก็ไม่เข้าใจไม่ไม่รู้แต่เราอย่าไปหน่วงเวลาเพราะเราภ า, าวนาไม่มาภาวนาเอาเวลาเราภาวนาเอาจิตต่างหาก ดูจิตของเราเนี่ยเวลานี้ขณะนี้เป็นยังไงเออให้ดูอันไหนเป็นจิตอันไหนเป็นใจคืออันนั้นมันเป็นนามสมมุติเฉยๆนะแต่ใจแท้ๆเรามันเป็นนามธรรมเราไม่สามารถจับไปเอามือไปแตะต้องได้เออนั่นอ่ะมันเป็นนามธรรมทำก็เป็นนามธรรมเออสิ่งเหล่านี้เป็นของควรคู่กันและกันบาปก็เป็นนามธรรมความชั่วอะไรก็เป็นนามธรรม เออทําให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวนั่นแหละบังเลสนั่นอันนั้นแหละใจเป็นบาปท่านจึงว่าเ อ, อสวรรค์อยู่ที่อกนรกอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นเ อ, อเราดูใจของเรานี่แหละเราจะไปหาสวรรค์นิพพานข้างบนอะไรอ่ะไม่ไต้องไปการไปไปต้องการอันนั้นให้เราด้อมดูใจของเราเวลานี้ขณะนี้นั่นแหละเออให้มันเห็นให้มันรู้ เวลานี้กันอนี้ใจของเราเบิกบานหรือไม่เบิกบานเราต้องดูดูเวลานี้แหละเอาปัจจุบั น, นธรรม อ, าอาดีต ท, ที่ผ่านมาอย่างน้องปู่เท่านั้นว่าข้างล่างข้างหน้าก็ไม่เอาข้างหลังก็ไม่เอานำ้ำมึนท่านก็หมายถึงว่าอาดีตอนาคตนั่นแหละนั่นแหะให้อยู่ปัจจุบันนั่นเป็นอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติก่อนพระพุทธเจ้าท่านจะได้สําเร็จพ่อโพอธิญาณ น, นั่นแนหะท่านก็เอาปัจจุบั น, นธรรมนั่นแหละอท่านสร้างสมอบรมบารมีมา ตังหลายอาสงไขยท่านก็ไม่ได้ไปพระวง์มันเออเพราะอ น, นั้นมันเป็นอดีตผ่านมาแล้วท่านก็ดูปัจจุบันธรรมให้มันเห็นเวลานี้ขณะนี้ล่ะจิตมันไปคล้องไปติดอยู่ในส่วนไหนเห็นไหมละ่ะเขาทําเป็นปุคลาที่ฐานเป็นว่าลูกไปนั่นน่ะก่อนพระพุทธเจ้าท่านจะออตัดทะลุอนุตตะสมาสัมโพธิญาณเป็นเงินเป็นแก้วเป็นแหวนลยายหลังีมาแต่นุ่นปราศาสตร์สว่างนุ่นนั่นเป็นอย่างนั้น กับเพราะอะไรล่ะเพราะความคิดความนึกนั่นแหละเออเสียดายเออหน้าหนามันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ความคิดความนึกของเรานั่นแหละพอเราแยกแยะกําหนดพิิจพิจารณาว่าเมื่อเมื่อเราได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วมันจะถาวรไหมมันเป็นวัตถุอย่างเงี้ยให้เรากําหนดแยกแยะพินิจพิจารณาเออมันตกอยู่ในสภาพอะไรแล้วก็แยกแยะ สมมติว่าเราตายไปเราจะสามารถออกไปได้ไหมทรัพย์ ส, สมบัติทงเงินทองเข้าของอย่างเงี้ยบ้านเรียนบ้านเรียนรั่วนั่นแหะไลนาสาทัวอะไรสิ่งเหล่านี้อันนั้นมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเป็นเครื่องอาศัยของเราเฉยๆสมมุติว่าเราตายไปแล้วก็ลูกหลานก็ครอบครองเป่าไปเนี่ยเขาแบ่งแยกกันไปเนะนั่ยมันเป็นอย่างนั้นเออไม่ใช่เป็นของใครทั้งนั้นเออ เ, เ, เป็นสมบัติโลกเออ มันมีอยู่อย่างนี้แผ่นดิ น, นอันนี้มันมีอยู่อย่างนี้นั่นเป็นอย่างนั้นให้เราดูใจของเรามันไปหลงไปแวะอยู่ในสิ่งเรล่าใดเราก็ดูดูเวลานี้ขนาดนี้นเลยแหละแยกแย่กําหนดพินิจพิจรารณาอารม์ปฏิโลมให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงแล้วต่อไปนี้แตกต่างคนต่างกําหนดต่างคนก่างพินิจพิจรารณาจนกว่าจะถึงเวลาอตามกําหนดเราเคยนั่งมากับชั่วโมองหนึ่งนั่นแหละ วันนี้มันเป็นวันพระเราก็พยายามให้มันพิเศษหน่อยเออเราอย่าไปรีบออกเออการประพฤติปฏิบัติเราทํานิดๆหน่อยๆมันไม่ทันคนมยาของกิเลสเออคันสู้มันไม่ได้เออเ อ, อ, อันนี้ต่อไปกาหนดพิิจพิจารณามันไม่เหมือนคนนั่งนะคนพูดมันไม่เหนื่อยแต่ว่าบาจามันเหนื่อยเออนั่นอนะ อย่าไปเก่งปล่อยให้มันตามสบายสบายร่างกายมันจะเอียงไปนิดนิดหน่อยหน่อยก็นั้นก็เป็นเรื่องของร่างกายขอให้ใจของเรามันเที่ยงใจของเรามันตรงตรงนั่นทำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละไม่ต้องรู้ให้มันมากหรอกเอาแค่พุทเข้าโทรออกแค่นี้ดูว่าฐานของเรามันอยู่ไหนให้เรากําหนดพินิจพิจารณาดูเมื่อกิจมันละเอียดเข้าละเอียดเข้าอันนั้นเราไม่ต้องไปสนใจมัน เออทีแรกก็ดูฐานของมันนั่นแหละการปฏิบัติมันอยู่ที่ไหนตามหลักท่านก็บอกว่ามันอยู่ฐานต้นมันก็อยู่ปลายจมูกอยู่ดวงหัไทัยฐานกลางอ่ฐานปลายก็อยู่ที่มีลารมเข้านะอยู่ที่สะดือเวลาออกมัก็ต้นของมันก็อยู่ที่สะดือนั่นแหละกลางของมันอยู่ที่หัไทัยคือดวงใจนั่นแหละปลายมันก็อยู่ที่จมูกมันกับหมุนเวียนกันอย่เงี้ยลม กลับเข้ากลับออกอย่างเนี้ถ้ามันไม่มันออกมันไม่เข้ า, าแปลว่าตายแล้วมันเป็นอย่างนั้นความตายไม่ได้อยู่ที่มันมันอยู่ไกลนะอยู่ใกล้แค่นี้เอออันนี้อถ้าเราประมาทคุณงามความดีเราก็ไม่มีไม่เกิดขึ้นที่ใจของเราเออเดี๋ยวนี้มันความชั่วมันยังหมักห ม, มมอยู่เราก็มาแยกแยะ ก, กําหนดพินิจพิจารณาว่ามันติดในสิ่งไหนเดี๋ยวนี้ด้อยมากกเราก็ติดในสมมุตินั่นแหละ สมมติเป็นหญิงเป็นชายแต่ทำแท้ไม่มีหญิง ม, มีมีชายเอออันนั้นมันเป็นสมมติเฉยๆเออการประพฤติปฏิบัติไม่เรียกว่าหญิงว่าชายสามารถประพฤติปฏิบัติได้ไม่ว่าคนเท่าคนแจกคนหนุ่มคนสาวสามารถประพฤติปฏิบัติได้ถ้าเราทำจริงทำจางการประพฤติปฏิบัติเออถ้าเราทำรอแหละรอแหละมันก็ได้แค่รอแหละรอแหละแค่นั้นล่ะเดินโยงกรมกัดใจกับไปทางอื่นอื่นเสียไม่มีความสำรวมสองวร จะนั่นนั่นทย่าว่ามีความสารวมสองบอลเรียกว่าเรามีศีลอยู่แล้วนะการสารวมสองบอลเมื่อเรามีความสารวมสองบอลแล้วสมาธิมันความตั้งใจมั่นมันกัสามารถเกิดขึ้นได้นั่นเป็นอย่างนั้นจิตของเราก็ก็มีความสงบขึ้นนั่นเป็นอย่างนั้นปัญญาของเราก็แตกฉานขึ้นนั่นเป็นอย่างงั้นแต่ก่อนเรายังไม่นั่นหรอยังเราไม่เคยมาประพฤติปฏิบัติเราไม่รู้อะไรพอ ทำไปทุกวันทุกวันออใจมันก็ฉลาดขึ้นสติมันก็มากขึ้นมากขึ้นพอมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นสัมปัตติญาล่ะนั่นเป็นงันการประพฤปฏิบัติอเราจะไปสนใจมันเรื่องร่างกายนั่นหระมันเป็นตกอยู่ในอณิจจตาทุกตาณตตาเออมันบอกไม่ว่าว่าอย่าไม่ฟังเออมันไม่แก้มันก็แก่ไม่เจ็บมันก็เจ็บมันเป็นหน้าที่ของเขามันเดินไปหน้าเรื่อยเออแล้วว่าให้ดูใจของเรานั่นน่ะ การประพฤติปฏิบัติของเรามันคืบหน้าไหมเออมันได้ใครอันไหนเออเราอย่าไปหลงเออทำให้มันต่อเนื่องกันไปเรื่อยให้เป็นพาวิตาบาโมลิกาตาทำยังไงมันจึงจะเป็นพาวิตาบาโมลิกาตาเราก็ต้องดูใจของเรานี่นยแหละให้มีสติอยู่ทุกเมื่อมันจะคิดไปทางความชั่วเราก็มีเบรกห้ามล้อมันเสียนั่นแหะสตินี่แหละสำคัญสติทำนี่แหลคัญเป็นเบรกห้ามล้อแน่นอนเลยแหละเออให้ดู ดูเนี่ยดูสติดูจิตน่นะนะจิตคือความนึกคิดน่ะนะถ้ามีสติเราก็ไม่สามารถนึกถึงความชั่วได้น่ะนะมีแต่นึกแต่ถึงจะสร้างคนงามความดีเสาะใจของเรานั่นการประพฤติปฏิบัติตอนนี้ไปกำหนดพินิจพิจารณาจนสมควรเจวเวลาแล้วจึงออกเวลาออกอย่าไปรีบให้ดูใจของเรา เวลาเรากำหนดทำบทไหนใจของเราเบิกบานใจของเราสบายเมื่อเราออกจากนี่แล้วไปแล้วเราเดินไปล้วกำหนดพินิษ์พิจารณาไปด้วยเมื่อไปถึงที่พักของเราเราก็จะได้ทำต่อไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วจะไปไ ป, ไปเป็นนั่นนไปเสียเปียกกิเลสนะไปถึงหมอนแล้วก็นั่นสมมุติว่ามันง่วงนอนมันอยากนอนเราก็ไม่ไปนั่งใกล้หมอนถ้าไปนั่งใกล้มันอยากจะหลับท่าเดียว หาวิธีแก้มันเห็นไหมพระโมคลนะก่อนที่จะได้สำเร็จมรรคผลนั่นนะท่านก็เป็นความเป็นคนโม่งง่วงท่านก็อาบน้มล้างหน้าบ้างเดินกลับไปกลับมาบ้างสาสยายทำบ้างแยกแ ย, ยะพินิจพิจารณาทอทีอ่ท่านศึกษาท่านท่องมาได้นั่นเป็นอย่างนั้นการแจ้ความง่วงทีนิมิธานเนี่ยมันสำคัญนะนิวรนเลยว่านิวรณธรรม มันครอบงำใจของเราถ้าเรามีศรัทธาพร้อมแล้วนะมันไม่สามารถจะมาครอบงำได้หรอกเออสิ่งเหล่านี้มันไม่กล้ามาใกล้ใกล้ใจของเราได้นะการประพัติปฏิบัติอางความเจ็บมันเกิดขึ้นเราก็น้อมมาแยกแยะขี้คายให้เป็นตามสภาวะความเป็นจริงเราอยากอยากให้มันดับอยากให้เจ็บมันหาย ให้มันกำหนดแยกแยะกําหนดพินิษ์พิจารณาเออท่านบอกแล้วว่าอาทุกขังอริยะสดจังทุกเป็นของเลิศทุกเป็นของป่าเสิดถ้าเราแยกแยะกาหนดพินิษพิจารณาแล้วอันที่จริงล้วนั้นก็เป็นของเลิศของประเสดได้นั่น เ, เป็นอย่างนั้นว่าที่จริงแล้วนั่นมันเกิดมาจากไหนมันก็มีเหตุของมันเราขอพยามสาวหาเหตุเออต่อไป ต่างคนต่างกำหนดถ้าไปฟังไปอุบายเฉยๆมันจิตมันไม่สงบจิตมันวิ่งไปตามอุบายตามคำพูดเออเหลียวกระวุ่ไวายแล้วเอออย่างนที่แม่ปังนั่นนะามันพระท่านั่ง ตั้งแต่วันทําวัดเสร็จนุนละตีสีออ่ท่านจินจาาเลิกนั่งยเยียบๆนี่แหละออ<ร>ไม่มีใครกระดุกกระดิกหรอก อ, อันนี้มั น, นเรามันพร้อมทุกอย่างอย่างมันร้อนเกิดขึ้นมาแล้วก็มีพัดลมพัดเสียอาศัยลมช่วยดูที่พระพุทธเจ้าและพระอ ร, ร, ริยภิกษุสาวกท่านแต่ก่อนมุ้งกดท่านก็ไม่มีมันยังไม่มีหรอกบริการสิ่งเหล่านี้ มีแต่ผ้าพอได้ปกปิดร่างกายแค่นั้นท่านก็นั่งอยู่ที่ไหนหละ่ะที่โคนไม้ลูกขมูลขนาดนั้ท่านสามารถนั่งได้ทําได้ไอมันจะมียุงไหมมันก็ต้องมีสิ่งเหล่านั้นก็มีอยู่ประจําโลกแล้วเอมดแมงอะไรสัตว์พวกสัตว์ ร, ร้ายอะไรเนะี่ยเวลาเราไปพวทปฏิบัติ ด, ดูไปอยู่ในป่าในในเขานั่นมันมีมฆนกอะไรเนะี่ะตามสมมุติเขาเรียกว่านกอะไรไม่รู้ชื่อมัน เวลานั่งดึกดมันลองมันลองอดอดถอดอดอดอดดันนั่นล่ะทำสอนเราแล้วน่ะมันสอนทำมันสอนเรานั่งแหละเวลามันปวดก็มาเอาอดเอาเออมันบอกว่าอดอดอดอดอดอดอดออยู่นั่นแล้วก็อดเอาแล้วบัแต่มันหากินคืนเขาก็ไม่ครัวนั่นล่ะนั่นล่ะเวลาอะไรนั่นแะนัว่าไปอยู่ในป่าในเขามันวิเวกความสงบมันเยอะสัตว์อื่น มันร้องมันก็ไม่เป็นอันภัยอันตรายไม่เหมือนเสียงมนุษย์ไม่จะเหมือนเสียงคนเสียงคนมันเป็นเสียงอันตรายเออไม่ผู้หญิงก็ติดในผู้ชายนั่นแหละเสียงผู้ชายนั่นแหละผู้ชายก็ติดในเสียงผู้หญิงนั่นแหละนั่นแหละสิ่งเหล่านี้ทําใจให้คุณมัวทําใจให้เศาหมองท่านจึงให้พยายามละเออในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในปตละะเรียกว่ากรมมคุณเออสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราพินิษพิจารณามันก็เกิดเป็นคุณนะเออเกิดเป็นประโยชน์เออถ้าเราไม่พินิษพิจารณามันเก็เกิดเป็นโทษเออเผือนไฟเหมือนกันนี่แหละเออถ้าเราใช้เป็นมันก็เกิดเป็นคุณเออเกิดเป็นประโยชน์ถ้าเราไม่ใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษนั่นน่ะการประติปฏิบัติมันมีอยู่ที่สติปัญญาของเราเออต่อไปกําหนด เวลาออกอย่าไปทำให้มันเสียงดังถ้าเราออกจากที่ต้องไปให้เห็นใจคนอื่นเขาพอเรามานั่งร่วมกันเพื่อความสามาัคคีถ้าปล่อยให้ไปนั่งคนเดียวก็มันไม่ค่อยเอานะอย่างหลวงพ่อเดินไปทั้งวันเนี่ยไปเห็นพระเดินอยู่รวมโอภูมิใจ ดีใจด้วยหน้าโนโมทนาถ้าไปเห็นคุยกันแล้วโอ้หมดไม่มีกําไรากำลังใจจะมาพูดมาคุยด้วยนั่นเป็นอย่างนั้ น, ม น, นเมื่อเราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องระวังเห็นไม่พะระอรหันต์ท่านอยู่เป็นร้อยเป็นพันก็ไม่มีเท่านั้นอท่านเพราะว่าท่านใจก้อนท่านสงบท่านไม่มีคุยนั่นต่างคนต่างอยู่ กำหนดพินิจพิจารณาดูใจของเจ้าของนั่นแหละเออก็เรียวกว่าพิหารธรรมไม่ใช่ว่าปรเพื่ิปฏิบัติจิตดุดพ้นแล้วจะไปนั่งไปนอนอะอันนั้นมันมันหลงได้ลืมได้นะเออถ้าใจยังระยังไม่พนน้นนะ่ะเดี๋ยวเผลอเออน่นะเ็อย่างนั้นเพราะมันตกอยู่ในอนิจาตาทุกตาน้าตาเกิดเป็นนิมิตขึ้นมาแล้วก็พยายามน้อมพินิจพิจารณาให้มันเห็น เออถ้ามันยังนั่นอยู่กับมันเกิดอุคานิมิตเราพยายามกำหนดพินิจพิจารณาอย่าไปยึดเออปล่อยไปตามสภาวะความจริงของเขาเสียเออเพราะอันนี้มันยังไม่ได้ทาไม่ใช่ทําแท้เออถ้าทาแท้นี่ไม่ไม่สลายมันตกอยู่ในไตาลากอยู่มันเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาอยู่สิ่งเหล่านี้เพราะยังมันยังเป็นก้าวแรกอยู่การประพืติปฏิบัติ ้ฉะนั้นให้เราพินิจพิจารณางั <c> ้น <oughs> เราพิพินิจพิจารณาอยู่ บ, บ่อยๆปัญญามันก็เกิดขึ้นความรู้มันก็กว้างกวางขึ้นเออสิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งไม่เคยรู้ก็รู้เออแต่เราจะไปไปตามสัญญาอารมณ์ไม่ได้เอออันนั้นมันข้างนอกอันจึงให้วกเข้ามาเยาะนอนเข้ามาดู ดูข้างในเนี่ยดูผู้รู้ให้ดูที่ว่าผู้รู้เป็นใครเออใครเป็นผู้รู้ใครเป็นผู้กําหนดเออท่านว่าทุกข์ควรกําหนดแต่เราเห็นทุกข์แล้วเราก็อยากให้มันเ อ, อสลายไปเสียหรือว่าอยากให้มันหายไปเสียมันไม่ได้สิ่งเหล่านั้นอันนั้นนะ่ะทำแท้ท่านให้กําหนดพินิจพิจารณากําหนดให้มันรู้ว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรใครเป็นคุณทุกข์ใครเป็นคนเจ็บ ใครเป็นคนปวดเอ อ, อ น, นั้นนะกำหนดพินิจพิจารณาแต่ว่าเรามานั่งนี่มันนั่งกะเดียวประดาวไม่ได้นั่งนานถ้ามานั่งรวมกันอย่างนี้ถ้าเราออกไปจากที่ไปอยู่สู่ที่พักของเราเราก็ตั้งสัจจะขึ้นในใจของเราเมื่อตั้งสัจจะเรา ก, ก็นั่งกำหนดพิพนิจพิจารณาให้เห็นมันทุกความทุกนั่นละ่ะให้เห็นตามสภาวะความเป็นจริงของเขา ท่านจึงว่าเรียกว่าทุกครั้งอริยสัจจังทุกเป็นของเลิศทุกเป็นของป่เสิดทุกเป็นสิ่งที่ควนกําหนดรู้เออนั่นนะถ้าเราแยกแยะขี้ขายพินิจพิจารณาถ้าเรากําหนดแยกแยะขี้ขายพิจารณาให้เห็นมันจะรู้ของมันเองมันนั่นนะแต่ทีแรกมันก็อยู่ที่ใจนั่นแหละใจเราไปยึดย่อยไปมั่นหมายมันมันจึงเป็นทุก ถ้าเราปล่อยระวางแล้วมันก็ไม่เกิดทุกข์ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่กระจำโลกอันนี้อยู่นั่นเป็นอย่างนั้นความเจ็บความปวดความตายความเกิดมันก็มีอยู่อย่างนี้ออแบบนี้เราจะพยายามแยกแยะขี้คลายให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงแล้วก็พยายามกำหนดพิจพิจารณาออแต่ให้มันจิตของเราให้จิตของเรานี้ทำเป็นสมาธิ ความตั้งใจมั่นเสียก่อนมันจึงจะไม่ฟุ้งซ่านถ้าเราจิตของเรายังไม่ตั้งมั่นมันไปพินิจพิจารณามันก็ฟุ้งซ่านเออมันก็หลงไปเสียนั่นแหะเพราะอะไรเพราะมันขาดสติเหตุนั้นน่ะการประฝึกปฏิบัติอย่างสตินี่สําคัญที่สุดเออถ้าเรามีสติอยู่จะยืนก็ตามจะเดินก็ตามก็เรียกว่าเราภาวนาอยู่ทุกอิริยาบถ นั่นเป็นอย่างนั้นการประพฤติธปฏิบัติตอต่อนี้ไปกําหนดต่างคนคาต่างกําหนดจนสมควรแจวเวลาแล้วเมื่อสมควรแจวเวลาเราอย่าไปกําหนดเวลากําหนดดูกิจมันถึงเวลามันออกของมันเองเอ อ, อันนี้รู้สึกว่าธาตุไม่ค่อยเป็นปกติอืมมันเป็นงั้นเพราะมันเป็นนั่นน่ะมันตกอยู่แล้อนนี้จังเป็นของไม่เที่ยง เออมันเป็นของไม่แน่นอนไม่ใช่ของเราไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บไม่ให้ปวดมันก็ปวดดั่นั้นเป็นอย่างนั้นมันเป็นอนิจจังอันนั้นแหะให้เรากําหนดพิณิพัฒนาจนกว่าสมควรเจรเวลาเออเมื่อเวลาออกพยายามออกจะให้มันกระทบคนอื่นดูใจของเรานั่นอี่ยไปวุมวามออกเวลาเรามาทําต่อ เรากลับไปที่ปกักของเราเราไปทําต่อมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่มีมันไม่รู้ฐานของมันลืมฐานหรืว่าลืมฐานของมันอันนี้ถ้าถาใครไม่เคยแล้วไม่รู้หรอกถ้าเวยจึงจะรู้เออถ้าเห็นเขาทํากระทาตามเขาเห็นท่านทํากระทาตามท่า น, านก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะความใส่ใจของเรามันน้อยเราไปใส่ใจขับสิ่งอื่นเสีย เออนั่นเป็นอย่างนั้นเลยบวชเข้ามาก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรนนะขณะท่านจึงอระมาทไปเหมือนกันกบทระพิมอยู่ในหม้ อ, อแจงน่นนะมันคนอยู่มันก็ไม่รู้รสของไอ้แจงอันนี้ก็เหมือนกันเรานั่งเฝ้าอยู่แปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์แต่เราก็ไม่รู้รสของมันว่ามันมันอยู่ตรงไหนมันมีอะไรบ้างเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เห็นได้เพราะว่าธรรมมันมีอยู่เราก็ไม่สามารถรู้ได้ เพราะเราขาดการใส่ใจขาดการกำหนดพินิจพิจารณามัน เ, เลยไม่รู้เรื่องเออผ่านไปผ่านไปวัยก็แก่ไปแก่ไปความชรากับคาค่ากับเข้ามาอยู่ทุกวินาทีแล้วก็เมื่อถึงช่วงอายุไครหมดเวลาแล้วก็ไม่มีโอกาสแล้วการประพฤติปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ให้เราตั้งใจเราเอาเหตุ คือเหตุคือว่ า, ามีศพอย่างนี้เราก็เอาเหตุเอาศพแล้วนำเป็นเหตุเอามานามาเล่านํามาพิจารณาแยกแยะที่คายดูเอออย่าง <c oughs> อย่างที่ท่านบรรจุไว้เนี่ยมันสวยแต่ข้างนอกกันแหละมาดูข้างใ น, มนไม่สวยเอ่ร่างกายของเราเหมือนกันมันมีไม่ลูกกี่ศพอยู่ข้างในนี่เออวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเอาลงเข้าไปเอาเข้าไปเข้าไปหลายศพ เ๋ยวเราก็ไม่ไม่ได้กำหนดมันในในพิพนิจพิจารณาเลยเลยไม่รู้เลยไม่เข้าใจมันเป็นอย่างนั้นมันอัศวะหรือไม่อัุภะเราก็น้อมกำหนดพินิจพิจารณาดูเออมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> อ่อตาตามกำหนดต่อไป